ดาดินไม่อาจทราบได้แต่เฉพาะดวงตาที่ลืมโพงของหล่อนคุณพระช่วยหล่อนเห็นร่างของมนุษย์ตนหนึ่งนั่งคล่อมมาบนหลังเสือโคร่งตัวนั้นตาของเสือและตาของสิ่งที่นั่งอยู่บนหลังสีเขียวเรืองวาวกล้าเช่นเดียวกันป่ารอบด้านดูมืดมิดไปหมดเห็นวาวจ้าอยู่เฉพาะดวงตาสองคู่นั่นเท่านั้นมันวิ่งปราดมาที่ต้นตะเคียนที่หล่อนและพรานใหญ่ซ่อนตัวอยู่ มนุษย์หรืออะไรชนิดหนึ่งที่นั่งคล่อมมาบนหลังของมันกระโดดลงมายืนตะงานกับพื้นตบมือขึ้นครั้งหนึ่งแล้วแงนขึ้นชี้มายังคาคบตำแหน่งที่หล่อนและละพินนั่งอยู่เสือร้ายก็แงนดวงตาวาวขึ้นมาเห็นในบัตรนั้นหล่อนได้ยินเสียงโฮกสนันพร้อมๆกับล่างของนางลายพาดก่อนที่พุ่งเพ่นทยานขึ้นมาและบัตรนั้นเอง กำปนาดของกระสุนดินขับแรงสูงจากจุด357หก็ระเบิดขึ้นกึกก้องใกล้ๆ ก, ก, กับตัวหล่อนร่างอันใหญ่โตที่กระโจนขึ้ น, นมาตะปบ ป, ปะทะกับกิ่งไม้เบื้องต่ำกว่าระดับที่เกาะอยู่เพียงเล็กน้อยเสียงดังพรักจนใส่สะเทือนไปทั้งต้นแล้วมันก็ลิ้วกลับลงไปกระแทกพื้นแผ่นดินดังสนัน่นพลิกผงะดิ้นหมุนอยู่กับพื้นตรงนั้นฝุ่นตลบแล้วก็ค่อยๆสงบนิ่งเงียบกลิบไปทันทีที่มันสงบอาการดิ้นโดน ร่างของมนุษย์ที่ยืนชี้มือบอกทิศทางให้เสืออยู่ก็ล้มแผลลงเคียงข้างมันไม่กระดิกกระเดียกหลอนปิดตาหวีดร้องออกมาสุดเสียงในภาพเขย่าวขวานที่เห็นนั้นหม่อมราชวงหญิงมาลุกสึกตัวอีกครั้งตนเองตกอยู่ในอ้อมแขนอบอุ่นแข็งแรงที่พร้อมกับเสียงร้องเรียกทีๆพอลืมตาขึ้นก็เห็นรพินภัยวันหลอนผวากอดเขาไว้แน่น ตัวสั่นเป็นลูกนกร้องออกมาไม่เป็นภาษาอย่างหมดสติเขาขย่าเรียกร่อนอยู่เป็นเวลานานเป็นอะไรไปครับคุณหญิงเป็นอะไรไปหล่อนคงหลับตาแน่นชี้มือไปข้างล่างอยู่เช่นนั้นและล่ำระรักฟังแทบไม่ได้สับผีมันขี่หลังเสือตัวนั้นมามันชี้มือมาที่เราแล้วเสือตัวนั้นมันก็กระโจนขึ้นมาเพราะผีชี้บอกผีที่ไหนกันครับ ไหนบอกผมซิคุณหญิงเห็นอะไรเขาเขย่ากายหลอนโดยแรงอีกครู่ใหญ่ดาลินดูเหมือนจะเริ่มได้สติขึ้นแต่กายยังสั่นเทิมอยู่เช่นเดิมคุณคุณไม่เห็นหลอกหรือหรือหลอนพูดอย่างยากเย็นขนลุกชันขึ้นทั้งกายสะทานไปหมดทุกระบบประสาทเหมือนจะจับไข้หัวใจเต้นไม่เป็นสัมภายหลังจากปลอบถามอยู่เป็นเวลานานดาลินจึงบอกกระท่อนกระแท่น ฉันเห็นคนขี่หลังมันมาด้วยนำทางมันตรงเลี้วเข้ามาที่โคนต้นไม้ที่เราหลบซ่อนอยู่นี่แหละพอถึงคนที่ขี่หลังอยู่ก็กระโดดลงมือลงมาตบมือแล้วชี้ขึ้นมาบนต้นไม้นี่มันก็กระโจนขึ้นมาตะปบเราแล้วคุณก็ยิงพอคุณยิงเสือคว่ำนิ่งไปเท่านั้นคนคนนั้นก็ล้มลงไปนอนตายอยู่ด้วยเห็นไหมเห็นไหม ย, ยังนอนอยู่ใกล้ๆซากเสือนั่นยังไง จอมพรานถอนใจหนักหน่วงจ้องหน้าหล่อนนิ่งด้วยความเป็นห่วงจะเข้มแข็งกล้าหารสักเพียงใดก็ตามดารินวราลิศก็คือผู้หญิงนั่นเองและบัดนี้อาถรรพ์ของป่าใหญ่คุกคามหล่อนเข้าให้อย่างหนักเสียแล้วโทษคุณหญิงครับทำไมเห็นอะไรเป็นตุปเป็นตะหน้ากลัวถึงเพียงนั้นผมไม่เห็นอย่างที่คุณหญิงว่านี่เลยสักนิดคุณหญิงตาฝาดไปแท้ น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการปลอบขวัญอ่อนโยนผีสางที่ไหนกันเท่าที่ผมเห็นมันโผลมาครั้งที่สามนี่มันก็ลากชาวป่าตัดไม้มาอีกศพหนึ่งมันคาบลากมาครับไม่ใช่คนคนนั้นขี่หลังมันมาอย่างที่คุณหญิงเห็นและที่ว่ามีเสียงตบมือนั้นนะความจริงผมตบขึ้นเองเพื่อเรียกความสนใจของมันให้แงนมองขึ้นมาพบเราเพราะต้องการจะหาโอกาสยิงให้ถนัด พอมันได้ยินเสียงกระโจนขึ้นมาผมก็ยิงเห็นไหมครับนอนตายอยู่นั่นส่วนศพที่สามซึ่งมันคาบมาก็นอนอยู่ตรงนั้นคุณไม่ได้เห็นอย่างที่ฉันเห็นหรอกหรือหลอนร้องแหบแห้งแล้วผีหัวรอบเบาๆจับตัวหลอนไว้แน่นรู้สึกว่ากายของหลอนร้อนเผาเหมือนไข้กำลังขึ้นคุณหญิงถ้าจะไม่สบายเสียแล้วนะครับตัวร้อนเผาทีเดียว เหตุการณ์มันสั่นประสาทคุณหญิงมากเกินไปเชื่อผมเถอะคุณหญิงตาฝาดไปไม่เกาอุปทานหลอกตัวเองแต่ฉันเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นแม้กระทั่งลูกตาวาวของคนที่นั่งอยู่บนหลังของมันและใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเห็นท่าที่คนคนนั้นยืนหน้าถมึงทึงชี้มือมาที่เราแล้วเสือก็มองตามตอนที่คุณยิงเสือความลงไปฉันก็เห็นพอเสือล้มหยุดดิ้น คนที่ยืนแยกเคี้ยวชี้มืออยู่ก็พลอยล้มตายไปด้วยหล่อนยืนยันจอมพรานสั่นศีษะช้าช้ า, ชาคุณหญิงเป็นนายแพทย์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักศึกษาชั้นสูงโปรดนึกถึงหลักของความจริงแล้วคุณหญิงก็จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเกิดจากมโนภาพของคุณหญิงเองและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพและประสาทที่เริ่มจะอ่อนแอลงอันเนื่องมาจากการกล ก, กรำหนัก ผมเคยย้ำเตือนในเรื่องนี้ไว้หลายครั้งแล้วและผมก็อยู่ด้วยทั้งคนยืนยันกับคุณหญิงเช่นนี้ทำไมคุณหญิงจึงเชื่อภาพลวงตาถึงเพียงนั้นหล่อนหลับตาอีกครั้งหน้าเผือดซีดเต็มไปด้วยทุกทรมานซบหน้าลงกับไหล่กว้างของเขาเสะ อ, อื่นมันคืออะไรกันแน่ทำไมฉันจึงเห็นเช่นนั้นเห็นจริงมันอาจเป็นได้ที่คุณเห็นมุมหนึ่ง แต่ฉันเห็นอีกมุมหนึ่งทั้งทั้งที่เหตุการณ์มันก็เป็นอันเดียวกันโอ๊ยฉันฉันทนไม่ไหวแล้วทำไมฉันถึงหนาวอย่างนี้คุณหญิงกำลังจับไข้แล้วหรอครับว่าแล้วเขาก็ล้วงกล่องพลาสติกที่บรรจุบุหรี่ออกมาแกะออกอย่างระมัดระวังหยิบยาแก้ไข้ที่มักจะมีติดไว้กับตัวเป็นประจำออกมาส่งให้รอนดารินรับมาอย่างโงหลอนถามชื่อยาเมื่อเขาบอกให หล่อนก็รับมาใส่ปากโดยดีรพินอธิบายทราบว่าเขามียาจำเป็นติดตัวอยู่เสมอสำหรับเหตุฉุกเฉินโดยใส่ไว้ในกล่องบุหรี่ในที่สุดหมอเองก็กลายเป็นคนไข้ให้พรานรักษาเสียแล้วหล่อนคลางแผวโหยอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มปลอบใจสีหน้าและแววตาคู่นั้นช่วยให้หล่อนอบอุ่นขึ้นอย่าคิดอะไรให้มากเลยครับ พานเองก็เคยรอดชีวิตจากสัตว์ป่าโดยการยิงคุ้มกันจากมือของหมอมาแล้วมันขึ้นกับเหตุการณ์และโอกาสเท่านั้นคุณหญิงพอมีกําลังตายลงจากต้นไม้นี่ไหมครับเราจะเดินกันอีกสักสินาทีก่อนป่าจะมืดสนิทแล้วหาที่พักนอนคืนนี้ให้เหมาะๆกว่านี้สักหน่อยหญิงสาวเหลือบตาลงไปเบื้องล่างอย่างสยองใจฉันไม่กล้าที่จะลงไปเหยียบพื้นดินข้างล่างเหล่านี้อีกแล้วจนกว่าจิตใจฉันจะดีกว่านี้ กำลังใจของฉันอ่อนแอเต็มทีในขณะนี้ฉันไม่เคยกลัวอะไรในชีวิตเท่าครั้งนี้เลยผมนึกว่าจะชวนคุณหญิงไปเสียให้ห่างจากซากคนซากเสือเหล่านี้เสียเพื่อจะได้มีกําลังใจดีขึ้นแต่ถ้าคุณหญิงไม่กล้าลงก็ไม่เป็นไรครับจอมผ่านกวาดสายตาลงไปเบื้องล่างท่ามกลางเงาสลัวอันคลุมเครือนั้นอีกครั้งผมจะทําห้างพองอาศัยนอนได้บนนี้แหละคุณหญิงรออยู่บนนี้ก่อนนะครับ ผมจะลงไปตัดไม้ประเดี๋ยวจะมืดเสียว่าแล้วก็ขยับจะต่ายลงไปแต่แล้วก็ชะงักเพราะมือของดารินจับไหลเขาไว้บีบแน่นตาที่จ้องประสานมามีแววผิดแผกไปพรานใหญ่เข้าใจว่าหล่นหวาดกลัวที่เขาจะพ่าจากลงไปเบื้องล่างเพียงชั่วขณะจึงหัวเราะพูดปลอบผมลงไปเดียเด๋ยวๆเท่านั้นแหละครับรับรองว่าจะไม่ให้พ้นจากสายตาคุณหญิงเลยคุณหญิงถือปืนกระบอกนี้ไว้ ฉันคิดว่าหล่อนพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติต่อสู้กับอำนาจความวาดหวานพร่านพริอย่างเต็มที่ความอ่อนแอของฉันคงจะทำให้คุณลำบากใจไม่ใช่น้อยทีเดียวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับตรงข้ามผมเห็นใจคุณหญิงเหลือเกินในภาวะเช่นนี้ฉันก็เห็นใจคุณเหมือนกันที่ตัวฉันเองอ่อนแอเกินไปและขอบใจเหลือเกินที่ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณพยายามเอาใจฉันหมดทุกอย่างทั้งๆ ท, ที่มันอาจเป็นผลเสียคุณคิดหรือว่าฉันจะยอมให้คุณลงไปตัดไม้อยู่ข้างล่างนั้นเพียงคนเดียวโดยมีฉันอยู่บนต้นไม้แล้วก็ถือปืนไว้สาหรับเพียงแค่ป้องกันตนเองระพินหัวเราะ อ, อีกครั้งมองดูใบหน้าอิดโรยซี่เซียวทว่าแฝงไว้ด้วยความงามไปอีกแบบนั้นด้วยความรู้สึกชนิดใหม่และแปลกออกไปโปรดอย่าห่วงผมเลยครับ ป่านี้คือบ้านของผมคุณหญิงตะหากเป็นแขกต่างถิ่นมามันไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับผมหรอกฉันจะลงไปกับคุณด้วยดาลินพูดเสียงหนักๆยังตัดสินใจพรานใหญ่จ้องหน้าง ง, งๆหลอนฝืนยิ้มพยักหน้ากล่าวต่อมาฉันเปลี่ยนใจแล้วความเข้มแข็งห้าวหาญกลับคืนมาเป็นของหล่อนอีกครั้งหรืออย่างน้อยที่สุด มันก็อาจมาจากฤทธิ์ทิฐิมานะและกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวเกินเพศของหล่อนนั่นเองถ้างั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นมาทำห้างอยู่บนต้นไม้ต้นนี้ฉันก็คิดอย่างนั้นมันลบาบากสำหรับคุณเกินไปไหนจะต้องตัดไม้แล้วก็หอบไม้ขึ้นมาผูกห้างอีกเครื่องมือก็มีไม่ครบตะเคียนต้นนี้ก็ไม่เหมาะสาหรับการจะขัดห้างด้วย และคืนนี้มันคงจะหนาวอย่างที่สุดเพราะเราไม่มีทางจะก่อไฟบนห้างได้เพราะฉะนั้นที่นอนของเราคืนนี้สุดแล้วแต่คุณเถอะฉันจะตามคุณทุกทุกอย่างแล้วหล่อนก็มองลงไปทางปากโพรงถ้ำเสือเบื้องร่างคุณคิดว่าในถ้ำนั่นจะเหมาะไหมขอจ้องหล่อนอย่างประหลาดใจเหมาะมากทีเดียวครับแต่คุณหญิงไม่กลัวหรือดาลินฝืนหัวเราะเบา ทำไมจะไม่กลัวความกลัวของฉันในขณะนี้มันจับไปหมดทั้งหัวใจแล้วล่ะทุกตารางนิ้วในป่ายามนี้มันเป็นความน่าสะพึงกลัวสําหรับฉันทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดินแต่ฉันก็พยายามที่จะกระจัดมันไปเสียเมื่อคิดว่าคุณอยู่ใกล้ฉันทั้งคนถ้าฉันยังขืนกลัวเสียจนไม่มีเหตุผลก็เท่ากับว่าฉันดูหมิ่นพรานของฉันเองลับผินสูตรลมหายใจลึก ความพิจกกังวลของเขาเบาบางลงอย่างมากถ้าเรานอนกันในถ้ำเสือนั่นได้เราจะข้อ ย, อย่างชั่วมากทีเดียวมีผนังกันลมกันน้ําค้างและยังก่อไฟได้อีกด้วยที่นอนก็คงสบายกว่าจะปลูกห้างอยู่บนต้นไม้ถึงแม้มันจะอยู่ในระดับพื้นดินมันก็เป็นซอกลับมีกาําบังคอยก่อไฟระวังทางด้านหน้าไว้ทางเดียวก็พอแล้วอีกสามด้านเราก็ปลอดภยัย แต่ในด้านของจิตวิทยาเรามักจะคิดว่าปลอดภัยในการนอนที่สูงมากกว่าทาั้งๆที่บนต้นไม้ไม่มีความสะดวกสบายไรเลยฉันไม่กลัวพวกสัตว์หลอกแต่กลัวสิ่งแปลกๆที่ตาจะมองเห็นไปอีกและสำหรับความกลัวในข้อหลังนี่อยู่บนต้นไม้หรืออยู่บนพื้นดินมันก็หนีไม่พ้นบนพื้นดินเสียอีกกองไฟอาจช่วยได้มากอย่างน้อยก็ด้านความอบอุน่นไปเราลงกันไปเถอะ เขาตายลงมาก่อนโดยมีรลอนตามหลังมาติดๆและพินเริ่มต้นหากิ่งไม้แห้งพอที่จะเป็นเชื้อฟืนสุมได้ตลอดทั้งคืนโดยมีรลอนคอยช่วยอีกแรงหนึ่งทั้งสองช่วยกันหอบฟืนเหล่านั้นเข้าไปในเวิร์งถ้ำตลอดเวลาหล่อนพยายามไม่หันไปมองซากศพของชาวป่าทั้ง3ที่นอนตายอยู่ในลักษณะชวนสยดสยองและในขณะนั้นก็ไม่สามารถจะเห็นได้ถนัดแล้วเพราะอากาศอันมืดมนลงทุกที เห็นแต่เพียงเป็นเงารางๆเท่านั้นพลานใหญ่ตัดใบไม้สดมาด้วยสำหรับปัดกวาดบริเวณที่พักจำเป็นและใช้ปูรองพื้นเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งสองก็เข้ามาอยู่ในซอกถ้ำก่อไฟลุกสว่างโชดขึ้นก็พอดีกับที่ป่าทั้งป่ามืดสนิทและพินขยายกองไฟออกก้านเป็นแนวเรียงรายปักถ้าไว้ลงมีอย่างลงมือย่างเนื้อที่นาติดตัวเป็นสเสบียงมาด้วย ดารินฝืนกินเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยก็อิ่มนั่งเอาหลังพิงผนังหินเมอมองดูกองไฟที่สว่างวอมแหวมอยู่เบื้องหน้าในระยะใกล้เอามืออันเริ่มจะหนาวเหน็บอังผิงแล้วประคองแนบไว้กับแก้มทั้งสองข้างหล่อนหนาวจนกายสะท้อนขางสั่นกระทบกันเสียงลมพัดใบไม้แกว่งกระทบกันดังแสกสากรูเกลกียวอยู่เบื้องนอกและคนไปกับสับส้มเนียงไพรา ย, ยาราตี มันทั้งหนาวทั้งเปรี่ยววิเวกวงเวงเยือกเย็นเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจตาของอหลอนดีโรยลงด้วยความอ่อนและเหียเพลี ย, รยแรงและความง่วงความรู้สึกร่มเบยบินห่างไกลออกไปและในที่สุดก็ปล่อยหลับไปในลักษณะที่นั่งเอาศีรษะพิงแงหินนั้นหญิงสาวสะดุ้งตื่นขึ้นมาในเวลาดึกสงัดพบตนเองนอนตะแคงอยู่บนใบไม้นุ่มที่ปูรองพื้น ศีษะพาดอยู่กับกระบอกไม้ไผ่มีกองไฟที่กำลังลุกเป็นฐานแดงสูมให้ความอบอุ่นอยู่เกือบรอบกายและบนส่วนหน้าอกของรอนมีสิ่งอบอุ่ น, นหนักๆคล้ายผห่มคลุมทับอยู่เมื่อคลำดูจึงรู้ว่ามันเป็นแจ็คเก็ตหนังของผู้ชายความหนาวเยือกของอากาศกลางหุบในขณะนี้ทำอะไรหล่อนไม่ได้เลยเพราะไฟย่างและเสื้อหนาที่คนใจดาตามที่่อนเคยว่า เสียสละถอดออกขมให้เกล็ดหล่อนรวมทั้งคอยระวังดูแลไฟกองนั่นไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคนใจดําอำมหิทธของหล่อนไปอยู่เสียที่ไหนแล้วดาลินลืมตาสว่างโปรกวาดไปรอบๆ อ, อ๋ออยู่นั่นยังไงห่างออกไปทางปลายเท้าของหล่อนประมาณหนึ่งวานั่นเองนั่งกอดเข่าพิงอยู่กับโขดหินก้อนหนึ่งหันหลังให้ ฟุบหน้าหลับอยู่ในระหว่างซอกข่าและแขนทั้งสองที่ประสานกอดเข่าไว้หันหน้าออกไปทางปากถ้ำซึ่งมีกองไฟที่ส่งควันกรุ่นกําลังจะมอดเหลือแต่ฐานแดงเรือๆมีแต่เสื้อยีนล่าสัตว์สําหรับใส่ในรากลางวันอยู่เพียงตัวเดียวเพราะแจ็คเก็ตกลายมาเป็นผ้าห่มให้กับหล่อนเสียแล้วเงียบสงัดคงได้ยินแต่เสียงน้ําค้างหยดกระทบใบไม้เบื้องนอกอยู่เปาะแปะเท่านั้น นี่หลอนหลับอย่างสบายเอาเปรียบเขาเป็นนานสักเท่าใดนะโอ้คงนานโขทีเดียวอย่างน้อยที่สุดมันก็นานพอที่จะทําให้หลอนตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยความสดชื่นแจม่มใสขึ้นผิดกับตอนที่จะเผลอหลับอย่างหมดสติไปในครั้งแรกซึ่งในขณะนั้นต่อให้ช้างเดินเข้ามาเอางวงจับฟาดก็คงไม่มีวันรู้สึกอาการไข้ที่เล่นงานอยู่เมื่อตอนหัวค่าปัดนีหายไปหมดสิ้นแล้ว ด้วยการพักผ่อนด้วยความอบอุ่นจากเสื้อนหนังรวมทั้งไฟย่างที่มีคนคอยก่อไว้ให้กอง น, นี้หล่อนค่อยๆ ย, ยันกายขึ้นในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนหูสะดับฟังสำเนียงพรายามค่อนคืนส่วนตาจับนิ่งไปยังแผ่นหลังที่นั่งงองุ้มนั้นเงียบๆชายผู้นี้หล่อนบอกกับตนเองอย่างขววยใจมีความน่ารักอยู่ในความน่าชังอย่าง ล, ลึกลึกชนิดที่หล่อนไม่เคยพบมาก่อนจากชายใด นานเท่านานที่หลอนเพ่งพิษอยู่เงียบๆร่างนั้นโงนเงยนเล็กน้อยอย่างปต่จากการบังคับเพราะเผลอหลับครั้นแล้วก็ชะงักกึกกลงทรงตัวตรงนิ่งๆตามเดิมเหมือนจะรู้สึกตัวไม่นานก็โงนเงยนอีกสลับกันอยู่เช่นนั้นในลักษณะสับเงาสับปงคงหารู้ไม่ว่าคนที่นอนอย่างแสนสบายอยู่เบื้องหลังบัดนี้ตื่นขึ้นมานานแล้ว และกำลังจ้องมองอยู่ด้วยประกายตาเจิดจรัดหน้าสงสารหญิงสาวเอื้อมมือไปแตะที่แผ่นหลังอันเย็นเฉียบนั้นอย่างแผ่วเบาเขาสะดุ้งพรวดขึ้นในพริบตาอย่างคนนอนวัยหันกลับมาโดยเร็วแล้วก็พบกับดวงตาละลื่นที่จ้องอยู่ก่อนแล้วอ้อคุณหญิงตื่นเมื่อไหร่ครับนี่เสียงห้าวตาำดังถามมาจากลาคอ ตื่นเมื่อคุณสับประงกเป็นครั้งที่หกสิบกตาของหล่อนมีประกายยิ้มน้ำเสียงแผ่วหวานแล้วส่งตัวลุกขึ้นนั่งทำไมนั่งทรมานอยู่อย่างนั้นทำไมไม่นอนพรานใหญ่หัวเราะเบาๆหยิบฟืนสุ่มลงไปในกองไฟที่กำลังจะมอดแล้วก้มลงเป่าให้ติดเปลวขึ้นเมื่อเจ้าหญิงบันทมทาดก็ควรจะนั่งเฝ้าพิทักหน้าของหล่อนแดงปรัง ดาวในดวงตาทั้งคู่โรดร้อแสงไฟแวบเดียวที่ระพินได้เห็นแล้วก็หมดโอกาสเพราะใบหน้านั้นเมินมาเป็นทาส ต, ตั้งแต่เมื่อไหร่กันตั้งแต่วันเซ็นสัญญาสัญญาให้นำทางเท่านั้นหรอกนะไม่ใช่สัญญาให้มาเป็นทาสก็เหมือนกันนั่นแหละผู้ที่ต้องตกอยู่ในเงื่อนไขรับใช้ทุกอย่างแม้กระทั่งตายแทนเมื่อภัยมาถึงไม่เรียกว่าทาดอกหรือ ประวัลนาตัวอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่อยากจะรู้ว่าจะเป็นท่าเช่นนี้ไปนานสึกเท่าใดเท่าที่สัญญาสุดสิ้นลงแล้วต่อจากนั้นละ่ะพ่านใหญ่ถอนใจยาวเหยียดมือบิดขี้เกียจออกไปพลางเปิดปากหาวเจ้าหญิงก็คงจะไปตามวิถีทางของเจ้าหญิงท่าก็คงไปตามทางของท่ามันจะมีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้ เพราะใบหน้านั้นเมินไปทางอื่นอีกฝ่ายจึงไม่อาจเห็นริมฝีปากบางที่เม้มสนิทเข้าหากันเพราะอำนาจเงินอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมที่ก่อให้เกิดพันธะอันนี้ขึ้นทาดคนนี้ไม่มีสิทธิ์จะบังอาจพูดเป็นอย่างอื่นเลยเพราะทาดคนนี้รับเงินค่าจ้างมาแล้วและก็ยอมรับว่าต้องการเงินค่าจ้างนั้นด้วยหล่อนหันมามองดูเขาด้วยสายตาตรง คุณนับถือเงินตาเป็นพระเจ้าถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือระพินกระแสเสียงของหลอนแผ่วเบาก็จริงแต่มันชัดเจนที่สุดระพินไพยวานเบิกตากว้างจ้องหน้าหลอนเขม็งเหมือนจะไม่เชื่อหูริมฝีปากที่คลื้นไปด้วยหนวดคราวมีรอยยิ้มเช้งโงเข้ามาใกล้หลอนถามเสียงสูงไหนเจ้าหญิงพูดว่ายังไงนะครับทาาฟังไม่ถนัดเลยพูดซ้าอีกครั้งเถอะครับ หลอนกัดริมฝีปากแววตาเปลี่ยนเป็นร้าวรานฉันพูดว่าคุณนับถือเงินตราเป็นพระเจ้าถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือฟังชัดแล้วหรือยังเขาสั่นหน้าเอามือป้องหูชะงโงกใกล้เข้ามาอีกไม่ใช่ประโยคนี้ดูเหมือนจะยังตกหล่นอยู่พูดให้ครบประโยคเดิมสิครับดารินสีหน้าประหลาดใจกึ่งฉีวเอ๊ะตกล่นอะไรกัน ฉันก็พูดอย่างนี้แหละคุณว่าตกอะไรหรือตกในตอนท้ายปิดประโยคนะ่ว่ายังไงนะกรุณาเ อ, อ่ยให้ครบเหมือนประโยคครั้งแรกสิคุณนับถือเงินตาเป็นพระเจ้าถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือระพินจอมพรานสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดหลับตาลงอมือกอดอกเอ็นหลังพิงผนังหินพึมพำชื่นใจ ดารินขมวดคิ้วงงๆอะไรกันนี่หมายความว่ายังไงคําถามของฉันชื่นใจคุณนักหรือคําถามมันบาดใจเสียงตอบเนิบๆยังหลับตายิ้มอยู่เช่นนั้นแต่ชื่อระพินที่ผ่านริมฝีปากเจ้าหญิงออกมาเป็นครั้งแรกอย่างชัดถ้อยชัดคํามันเป็นความชื่นใจครั้งแรกทานคนนี้คิดว่า จนกระทั่งตายจากกันไปหรือว่าแยกจากกันไปตามวิถีทางคำว่ารพินจะไม่มีโอกาสผ่านริมฝีปากเจ้าหญิงออกมาเสียอีกล่าชะสะกุลสาวอึ้งไปนานหล่อนกำลังคิดทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันและหัวเราะออกมากล่อยแก่อแปลว่าฉันไม่เคยเรียกชื่อคุณเลยงนะั้นหรือเรียกครับเขาบอกน้ําเสียงเรื่อยๆควัก บ, บุหรี่ออกมาจุดสูบ ศีษะพิงโคทิ้นในท่าผ่อนอารมณ์อยู่เช่นนั้นแต่เรียกว่าตาพานหรืออย่างดีที่สุดก็นี่นายพานความจริงผมเองก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมโนครัวของมนุษย์โลกเขาคนหนึ่งเหมือนกันแต่เจ้าหญิงคงจะชังน้ำหน้าเสียจนไม่ยอมให้ชื่อนี้ผ่านริมฝีปากออกมาเพิ่อจะมาได้ยินเรียกชัดถ้อยชัดคำคืนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าโลกนี้ยังไม่ทารุณโหดร้ายเกินไปนัก เป็นความจริงหรือนี่ที่ฉันไม่เคยเรียกชื่อคุณเลยจากวินาทีแรกที่เราพบกันมาจนกระทั่งคืนนี้แหละแล้วเขาก็ป้องหน้ามองออกไปยังความมืดมิดของป่าเบื้องนอกพูดหน้าตาเฉยว่าป่าทั้งป่าดูเหมือนจะสว่างเป็นสีทองไปหมดเมื่อระพิณภัยวันได้ยินใครคนหนึ่งขานานามนี้ออกมาเต็มปากเป็นครั้งแรกขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขา ภายหลังจากนั่งอึง้งเหมือนจะพิสวงตัวเองอยู่เป็นครูใหญ่หล่อนก็บอกว่าถ้าเป็นจริงอย่างนั้นจริงฉันก็ขอโทษ ด, ด้วยฉันรึกเหตุผลไม่ออกเหมือนกันว่าเหตุไรตั้งแต่รู้จักกันมาทําไมฉันถึงไม่เรียกชื่อคุณเลยและทําไมถึงเกิดมาเรียกเออกคืนนี้แต่คุณยังไม่ได้ตอบคาถามฉันเลยคุณรพินไพรวันจําเป็นนักหรือครับ ที่ทาตจะต้องตอบหล่อนขอมวดคิ้วอีกครั้งเลิกเล่นสำนวนประชดแดกดานสิทธีเถิดระหว่างคุณกับชันลูกจ้างกับนายจ้างนั่นคือข้อเท็จจริงไม่ใช่เจ้าหญิงกับทาตเข้าใจลูกจ้างจะหมดพันธะกับนายจ้างในทันทีที่เงื่อนไขสัญญาจ้างสุดสิน้นแต่ทาตกับเจ้าหญิงไม่มีวันจะหมดสิ้นได้หรอกนอกจากจะตายจากกันไปข้างหนึ่งเอาละ หลอนพยักหน้าตอบคำถามที่ยังไม่ได้ตอบสิผานใหญ่พ่นควันบุหรี่ลอยคว้างเป็นวงกลมหนาทึบลมอันสงัดในเวิ้งถ้าทำให้ควันกลุ่มนั้นทรงตัวคงรูปอยู่ได้นานสายตาของเขามองจับอยู่ที่กลุ่มควันอย่างปาศจากความหมายและหลอนก็มองดูที่นั่นด้วยถ้าผมจะเลือกเอาในระหว่างความเป็นทาสกับเจ้าหญิง มันพอจะเป็นคําตอบในคําถามได้ไหมครับคิ้วงามข้างหนึ่งเลิกขึ้นน้อยน้อยอย่าลืมว่าตลอดชีวิตทีเดียวนะไม่ใช่เพียงแค่พันธสัญญาที่ตีมูลค่าเป็นเงินอีกสักร้อยชีวิตพันชีวิตก็ได้ถ้าชีวิตตายแล้วและเกิดใหม่มีจริงในประกายแสงวับแวมของกล่องไฟตาทั้งสองคู่พบกันสนิทนิ่ง เป็นหนึ่งกระแสแม่เหล็กต่างขั้วรู้จักเจ้าหญิงคนนี้ดีแล้วหรือนี่เป็นเรื่องหน้าเวทนาตัวเองดาลินวราลิศ ย, ยิ้มเย็นเย็นคลี่เสื้อแจ็คเก็ตของเขาเองที่คลุมตัวหล่อนอยู่ออกส่งคืนไปให้ขอบคุณมากที่สละให้ฉันมาเป็นเวลากว่าค่อนคืนแล้วเอากลับคืนไปเถอะฉันอบอุ่นสบายดีแล้ว รังเกียจหางเสียงของเขาแตกขณะที่รับเสื้อมาโยนลงข้างๆตัวอย่างไม่เยืยแสหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยไม่ตอบมองดูเขานิ่งๆอยู่เช่นนั้นเป็นครู่ก็ลุกขึ้นเดินมาซุดคุกเข่าอยู่ข้างๆหยิบเสื้อตัวนั้นขึ้นมาคลี่คลุมให้ที่ไหล่ของเจ้าของเสื้อเองด้วยมืออันแผวระมุนตาต่อตาสบกันในระยะห่างเพียงชั่วคืนใช่รังเกียจเป็นยังไง พอใจไหมที่ฉันเอานิไัยของคุณมาใช้เขานิ่งหลับตาเฉยรู้สึกว่าตัวเองถูกผลักล้มตะแคงเสียหลักไปจากผนังหินที่พิงอยู่แต่แทนที่ศีรษะจะฟาดตรงกับแง่หิงกลับรู้สึกว่ามีสิ่งอ่อนนุ่มอบอุ่นรับไม่แทนพอจะผงกหัวลุกขึ้นมาก็มีฝ่ามือกดไว้ที่ใบหน้าพร้อมกับเสียงกระซิบ เจ้าหญิงนอนอย่างสุขสบายมาเต็มอิ่มแล้วคราวนี้ก็ถึงคราวที่ท่าจะต้องพักผ่อนสิบ้างอย่าขัดคําสั่งนะทาายัางไม่ง่วงง่วงหรือไม่ง่วงก็นอนให้หลับพรุ่งนี้ทาายัางจะต้องมีหน้าที่คุ้มครองเจ้าหญิงอีกไม่ใช่เพียงคืนนี้เท่านั้นทาาหลับสิแล้วใครจะปกปักพิทักษภัยให้เจ้าหญิง เชื้อหญิงปกปากพิทางภัยให้แก่ตนเองและให้ทา่านคนนี้ได้ในระหว่างที่ทา่านหลับเขาพงง ห, หัวขึ้นอีกครั้งแต่ก็ถูกผลักกระแทกลงไปสู่ความหยุ่นอันอ่อนนุ่ม<ๆ>เหนือกว่าหมอ น, นิ่มใดๆในโรคตามเดิมมีเสียงกระซิบเชียบขาดนอนประเดี๋ยวจับหัวกระแทกหินสลบเลยคุณเป็นมนุษย์ปุทุชนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่เหล็กไหลมาจากไหน สะบักสะบอมมาทั้งวันแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็ตายเท่านั้นจริงของร่อนเขาไม่ใช่เหล็กไหลมาจากไหนเพราะไม่กี่ช่วงลมหายใจหลังจากนั้นเขาก็หลับเป็นตายจอมพรานรู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งมันเป็นเวลาเท่าใดไม่ทราบได้แต่เห็นแสงสว่างสรัวสรัวสาดเข้ามาทางปากถ้ำเสียงนกป่าแซ ส, สนันลั่นดงด้านนอก ไฟที่ก่อไว้เหลือแต่ควันกลุ่นๆร่างได้ส่วนสัตว์ของดารินวราลิศยืนบังแสงสลัวอยู่ตรงปากทางเข้าหันหลังให้แหงหน้าสูดอากาศยามเช้าตรู่อันเย็นช่ำลมลุ่งพัดเส้นผมสยายปลิวสวัยขอจ้องร่างงามสมส่วนทางด้านหลังนั้นเงียบๆทางพยายามนึกทบทวนความจำแล้วก็นึ ก, กวัวาย่ตัวเองเมื่อสรุปความคิดว่า ตนเองคงจะฝันไปมันเป็นความฝันที่ทำให้หัวใจวุ่นวายโอลหมานเินิกะไรและพินผุดลุกขึ้นโดยเร็วหลอนคงได้ยินเสียงไหวกายของเขาจึงหันกลับมาไม่มีปัญหาอะไรต่ออะไรเขาคงฝันไปแน่ๆพรานใหญ่บอกกับตนเองเพราะสายตาคู่นั้นของหลอนมันยืนยันอยู่ชัดสายตาหยิ่งๆของนายจ้างเหมือนเช่นที่มองมายังเขาทุกครั้ง ขณะที่สะบัดหน้าไล่ความมึนงงและจัดแจงเติมฟืนก่อไฟเตรียมอุ่นเสบียงหล่อนก็เดินเข้ามาซุดกายนั่งตรงข้ามฉันไม่อยากจะบอกคุณเลยว่าฉันเห็นอะไรแปลกๆเมื่อคืนนี้หลังจากที่คุณหลับไปแล้วหล่อนพูดอย่างเล่าร้อนกระสับกระส่ายที่พยายามจะบังคับให้เป็นปกติและพินเหลือบตาขึ้นมองอย่างประหลาดใจคุณหญิงเห็นอะไรครับดาลินห่อไหลลง ประสานมือทั้งสองกอด อ, อกแล้วหัวเราะออกมาอย่างคั้นตัวเองอย่าให้เล่าเลยขืนเล่าไปก็เท่ากับขยายความเป็นโรคประสาทพิการของฉันให้คุณรู้พรานใหญ่พลอยหัวเราะไปด้วยเบาๆต่อบุหรีที่เหลืออยู่สองตัวสุดท้ายส่งให้เกลอนตัวหนึ่งและสูบเองตัวหนึ่งเล่าดีกว่าครับดีกว่าจะเก็บไว้บางทีผมจะอธิบายได้เรื่องขนหัวรุกทั้งนั้นมันน่าแปลกนะ ตอนที่คุณตื่นและเฝ้าฉันอยู่ฉันหลับอย่างสบายที่สุดไม่มีอะไรกระตกกระตากเลยแต่พอฉันอยู่ยามแทนคุณโดยคุณหลับบ้างอะไรต่ออะไรมันเล่นงานฉันแทบแย่ดีแต่สู้ตั้งสติปลอบใจตนเองไว้ทุกขณะโดยพยายามคิดเสียว่าประสาทหูประสาทตามันฟั่นเฟือนไปอย่างที่คุณเคยบอกคุณหญิงเห็นอะไรครั้งแรกที่สุดหล่อนผูช้าช เอามือรูปแขนตนเองที่ขนเริ่มจะรุกเกลียวขึ้นมาอีกฉันเห็นหน้าคุณในขณะที่นอนหลับอยู่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยจนกระทั่งกลายเป็นใบหน้าที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยยิ่งจ้องนานเข้าก็เห็นว่าคุณมีเขี้ยวโผล่ออกมาทั้งสองข้างเหมือนมนุษย์หมาป่างั้นแหละ